เอกเป็นกลางเนี่ยก็บังคับไม่ได้อย่าไปบังคับความเป็นกลางให้รู้ทันว่าเมื่อกี้นี้ไม่เป็นกลางสติก็บังคับให้สติอยู่นานๆไม่ได้ให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีสติไม่มีสติคือเผลอไปเผลอไปกับโลกบ้างเผลอไปเพ่งเอาไว้บ้างความเป็นกลางหลักก็คือว่าควรจะเป็นกลางเพื่อจะให้เกิดปัญญามรรคผลขึ้นมาแต่ความเป็นกลางก็อย่าไปสร้างอย่าไปแกล้งให้เกิดความเป็นกลาง รู้ทันความไม่เป็นกลางเห็นแล้วไม่เป็นกลางรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เห็นและชอบรู้แล้วไม่ชอบก็ให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้เห็นแล้วไม่ชอบมันไม่เป็นกลางมีสติรู้การรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นก็คือจ il ิตที่ไม่ไหลไม่เคลื่อนจิตที่ไม่ไหลไม่เคลื่อนก็ไปแกล้งสร้างไม่ได้วิธีง่ายๆมันมีวิธียากๆด้วยนะ <laughs> วิธียากๆก็คือไปทาฌาน ไฌานที่สองฌานที่ถูกต้องฌานที่สองแล้วเนี่ยจะมีจิตที่เหมือนตั้งมัน่นไม่ใช่เหมือนนะจิตที่ตั้งมั่นเลยแต่มันเป็นวิธีของคนที่ทาําฌานคนที่ทําฌานไม่ได้มันก็มีวิธีของคนทําฌานไม่ได้คือคนทําฌานไม่ได้จิตมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมามันแสดงความไม่ตั้งมั่นของจิตเราก็อาศัยที่ว่ามีสติเห็นสภาวะเห็นกิเลสไปแล้วเห็น ความโกรธความโลภความหลงอะไรเนี่ยเคยเห็นกิเลสอย่างนี้มาแล้วมีทักษะในการดูนมามธรรมมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ใช้ทักษะนั้นนะมาดูจิตที่มันเคลื่อนดูลมหายใจยอยู่เห็นเห็นกายหายใจยอยู่ขณะนี้มีสติรู้กายพเพราะเผลอความเผลอเนี่ยขณะที่เผลอถ้าเรามีทักษะดูนะมันจะเห็นจิตที่มันเลื่อนไหลไปมันจะเคลื่อนจากความรู้สึกตัวตรงนี้ไหลไป เคยเห็นบ้างไหมเริ่มใครใครเคยเห็นแล้วบ้างมีไหม ย, ยังไม่มีเลยไปเจริญสติดูกิเลสไปก่อนนะพอเริ่มมีทักษะในการดูนามธรรมคือกิเลสแล้วเนี่ยนะจิตก็เป็นนามธรรมอย่างหนึง่งพอมันคลายจากความสนใจในการดูกายนะมันไม่ใช่ว่ามันจะคลายธรรมดามันมีการไหลใจลอยอ่ะใจมันเลื่อนลอยไปใจมันเลื่อนลอยไป ใจเลื่อนได้ใจเคลื่อนได้เชื่อไหมเอาลองใหม่วันนี้ดูดอกบัวอีกทีหนึง่งดอกบัวแจกันด้านซ้ายดอกบนสุดมองไปนะมองไลยให้ตาอย่าเพิ่งละจากดอกบัวนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ทำความรู้สึกที่ดอกบัวตามองอยู่แต่ทำความรู้สึกว่ากายนี้กำลังหายใจตาอยังมองอยู่นะ ตาอย่างมองอยู่แต่รู้สึกที่กายเห็นกายกำลังหายใจแล้วไปรู้ที่ดอกบัวแล้วกลับมารู้ตัวเห็นมันเคลื่อนไหมเห็นใจมันเคลื่อนจากความรู้สึกที่กายนี้ไปหาดอกบัวไหมคุณเจี๊ยบเห็นไหมเห็นไหนมเออคุณอะไรนะตุ่มเห็นไหมนั่นชื่ออะไรโฟนอ๋อโทรศัพท์นะ เห็นไหมเห็นมันเคลื่อนไหมนี่คือเคลื่อนด้วยการแกล้งนี้เราแกล้งมันนะแกล้งมันว่าให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็แกล้งไปสนใจทางนู้นแต่ในชีวิตประจําวัน่ะเคลื่อนอยู่ตลอดเลยเข้าใจไหมแต่เราจะเห็นมันเคลื่อนได้ต่อเมื่อมีสิ่งสิ่งหนึ่งให้เป็นหลักเอาไว้ทางนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อย่างที่เล่าเมื่อวานเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้เป็นถ้ำของใจ ใจอาศัยถ้านี้อยู่เราก็อาศัยกายนี้เป็นที่อยู่ไว้ก่อนพอกายนี้เป็นที่อยู่แล้วใจมาอยู่กับกายแล้วพอมันลืม <piace> คือมันไปสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะมันเคลื่อนไปพอมันเคลื่อนไปเราพอมันออกจากถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเอาไว้นะแล้วก็ไม่คอยเอาใจมาอยู่ไวก้กับถ mm ้าเลยนะมันก็ลอยลอ ย, ลอยไปลอยมาอยู่แล้วเนี่ยจิตมันลอยไปลอ ย, ลอยมาอยู่แล้วจะไม่เห็นเลยว่ามันเคลื่อนอยู่เหมือนสวะสวะที่มันลอยอยู่กับน้ําเนี่ยนะ ถ้าเราอยู่เกาะอยู่กัองสวะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสวะเนี่ยมันเคลื่อนเราจะเห็นแค่ว่าฝั่งนี่มันเคลื่อนเหมือนเรานั่งอยู่บนเรือเรือมันแล่นไปเรือมันเคลื่อนแต่ไม่รู้สึกว่าเรือกําลังเคลื่อนรู้แต่ว่าฝั่งมันเคลื่อนน้ํามันเคลื่อนแต่ถ้าเรามาอยู่บนฝั่งอยู่บนฝั่งนิ่งๆเราจะเห็นเลยว่าน้ํามันเคลื่อนสวะมันเคลื่อนเรือมันเคลื่อนไปตอนนี้เราให้อยู่ที่กายให้อยู่เป็นที่อยู่มีกายเป็นที่อยู่ไว้ก่อน มีเครื่องเทียบเอาไว้เป็นที่อยู่เพราะมันเคลื่อนออกจากที่อยู่เนี่ยค่อยรู้ว่ามันเคลื่อนไปแล้วไม่ต้องห้ามมันเคลื่อนด้วยก็เราจะดูมันเคลื่อนอะ <c oughs> ไม่ต้องห้ามมันเคลื่อนเราจะมีความผิดพลาดอยู่อีกอย่างหนึ่งคือพออยู่กับกายแล้วอยากให้อยู่กับกายนานๆคราวนี้มันเลยไม่จะเป็นที่อยู่มันเป็นคุก <c oughs> มันเป็นที่ขังใจมันจะมีคนคุมคอยเฝ้าว่าอย่าไปไหนนะ่าจะไปไหนกดไว้ มีกฎระเบียบด้วยนะกลายเป็นว่ากายนี้เป็นที่อยู่แบบคุกคืออยู่แล้วเป็นทุกข์ให้มันเป็นที่อยู่จริงๆเหมือนเราอยู่บ้านบ้านเราสร้างไว้แพงมากเลยแต่ไม่ค่อยได้อยู่เหมือนกันกายนี้นะกายนี้ก็มีค่ามากแต่เราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาอยู่ก็ให้มันอยู่บ่อยๆอุตสามีกายแล้วอุตส่ามีบ้านแล้วก็มาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วก็ไม่ต้องอยู่แบบเป็นคุกคือให้มันออกไปทงานบ้าง ออกทำงานยังไงไปดูไปฟังไปดมไปกินนีนะออกไปทำงานแต่ตอนออกไปเนี่ยให้รู้ว่ามีการออกีนะเรียกว่าใช้กายให้เป็นประโยชน์อย่าให้กายเนี่ยกายเป็นที่ตั้งของราคะบ้างของโทสะบ้างอย่างเดียวให้มันเป็นที่อยู่ที่เรามาเรียนรู้ว่ามีการเคลื่อนของจิตด้วยตอนเห็นจิตเคลื่อนตอนจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยมันแสดงความไม่ตั้งมั่น พอเห็นจิตเคลื่อนตั้งมั่นพอดีแต่เป็นตั้งมั่นแบบแวบบหนึ่งเห็นแว บ, บเดียวนะแล้วก็กลับมาใหม่ตอนกลับนี่ก็ระวังนิดนึงว่าอย่าดึงอย่าดึงอาการดึงคือเห็นว่าการเคลื่อนไม่ดีอยู่กับกายนี่ดีมีความเข้าใจนี้จึงดึงมาแต่ถ้าเราเพียงแค่ว่าอา้าวนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เมื่อกี้ใจมันเคลื่อนไปอา่ารู้และอกลับมา อนุญาตให้เคลื่อนอีกแต่อยาาแกล้งเคลื่อนเมื่อกี้เราฝึกเนี่ยฝึกแบบแกล้งเคลื่อนไม่เป็นธรรมชาตินะตอนเนี้ยให้อยู่กับกายไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมีสิ่งที่ชวนให้จิตมันสนใจเช่นเสียงกริ๊กตรงนี้นเสียงจานถ้าใครได้ยินนะแสดงว่าจิตมันเคลื่อนไปฝั่งละถ้าเห็นว่าจิตเคลื่อนนะใช้ได้นี่คือได้สมาธิแวบหนึ่งได้จิตตั้งมั่นแวบหนึ่งอาศัยที่ทาอย่างเนี้ยบ่อย จนจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้จิตมีกำลังมีกำลังทำอะไรมีกำลังในการเจริญปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตเนี่ยบังคับไม่ได้จริงๆจิตมันทางานเองใจเดิมเราเนี่ยอยากให้จิตมันสงบจะตายไปอยากให้มันอยู่กับกายเนี่ยนานๆแต่เสียงกริ๊กแว๊บหนึ่งใจไปละหรือคนเดินมาใจก็ไปละเห็นใจที่เคลื่อนรู้เลยว่า ไม่ได้ตั้งใจจะไปดูแต่ใจมันไปเองเห็นมันทำงานเองอันนี้ก็เห็นจิตมันแสดงอนัตตาให้ดูอย่างนี้นะมันจะเกิดปัญญาเพราะจิตเริ่มมีกำลัง